ตอนละโทสะวันที่25ตุลาคม2558กาบนมรศการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะวันนี้ก็มีคำถามมากพอสมควรพระกูจะเข้ากับคำถามคำตอบเลยนะจากนี้เสร็จ เดี๋ยวเราก็ไปนั่งข้างหลังนะดูว c ซอานะก็เดี๋ยวพักูจะจะอธิบายให้ฟังก็คำถามแรกจะกำจัดตัวโทสะได้อย่างไรหนูมีความโกรธเกลียดอยากช่างชักหักกระดูกเมียของน้องชายมากๆค่ะเขาชวนน้องชายไปเล่นยาเสพติด ลูกที่มีด้วยกันก็ไม่ใช่ลูกของน้องชายสักคนเดียวคือตอนท้องแฟนของน้องชายต้องการหาพ่อให้เด็กน้องชายหนูเป็นคนโชคร้ายมากมาถึงตอนนี้หนูหาทางออกของจิตไม่ได้ทุกครั้งที่นึกถึงพวกเขาเหล่านั้นได้ยินชื่อก็ไม่ได้ทรมานก็ไม่ได้ทรมานมากค่ะไม่อยากจะเป็นแบบนี้พยายามบอกตัวเองให้อภัย นั่นชีวิตเขาแต่มันทำไม่ได้เลยค่ะโทสะของหนูมีมากจริงๆจะทำอย่างไรคะมีทางออกบ้างไหมคะ <c oughs> เรารู้คนที่รู้ว่าตัวเองมีโทสะนี่ก็เกิดมีปัญญาระดับหนึ่งนะแต่เราต้องรู้ว่าไอ้โทสะนี่มันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรทำไมมันทำให้เราทุกข์ได้เนาะทำไมมันเก่งจังนะ เออก็ส่วนมากคนเรามีแต่มองคนอื่นนะไม่ค่อยมองตัวเองนะเป็นเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเขาอย่างนี้ฉันถึงมีโทสะฉันถึงทุกข์ไนงะผู้เจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือแก้ที่ตัวเองแก้ยังไงก็รู้ว่าโทาสะมันดีไหมไม่ดีอันนี้แสดงว่าโกรธมากเลยนะทั้งโกรธทั้งเกลียดอยากแช่งชักหักกระดูกด้วยนะนะ เอากระดูกมาบดเลยเนาะมันเป็นแป้งอะไรเนี่ยนะมันเรารู้มันเป็นเรื่องไม่ดีนะทำยังไงก็รู้ว่าโทสะไม่ดีก็อันดับแรกก็ไม่ต้องโทสะรู้ว่าโกรธไม่ดีก็ไม่ต้องโกรธนะง่ายๆก็คือไม่ต้องโกรธนะทีนี้มันทำไม่ได้ไงมาทำไม่ได้ก็เรามาปฏิบัติเราคิดเอาเองไม่ได้ว่าอย่าโกรธนะนะอ้แม้กระทั่งรู้ว่าอยากให้อภัยก็ให้อภัยไม่ได้อีกเนี่ยมันกลายเป็นพยาบาทละ นะถ้าเราไม่ให้อภัยเราไม่เอามันเหวี่ยงทิ้งนี่นะมันแบกไอพยาบาทนี้ข้ามภพข้ามชาติเลยถ้าอยากไม่เจออย่างนี้อีกนะไม่อยากเจอน้องที่โชคร้ายไม่อยากเจอน้องสะพายแบบนี้อีกเนี่ยนะจำไวแม่นๆอย่ากเกิดอีกเด็กขาดทําได้นะนะทำให้ตัวเองอย่ากเกิดอีกเกิดอีกและจะเจออีกมันเป็นกรรมร่วมเนอะเนาะเอาไป็นว่ามันเกิดไปแล้วต้องดีใจกับน้องชายด้วยนะ นะไม่ต้องเสียแรงเลยก็มีลูกทั้งหลายคนนะเออก็ให้เขาทารับกรรมเข้าไปให้เขาใช้นี่กรรมเนี่ยทุกอย่างที่เราคิดเอาเองเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนีคำว่าดีมันต้องเป็นแบบแผนที่เราเข้าใจแบบนี้มันไม่ดีนะเห็นหพอไม่ดีปุ๊บแล้วยังไงล่ะแล้วทำเราทำให้เราโกรธทาให้เราทุกเนี่ยดีไหมเห็นไหมเรายิ่งไม่ดีเลยนะ คนทำให้ตัวเองทุกข์นี่ยิ่งไม่ดีนะก็พ่อครัวแล้วสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะไม่พิจารณาไม่ตัดสินอันนี้เราไม่เอามากอดไว้เลยนะพิจารณาแล้วก็โกรธไปด้วยโทสะไปด้วยนะเราทําร้ายตัวเองเนาะเอาเป็นว่าสักโลกย่อมเป็นไปตามกรรมยอมรับในสิ่งที่มันเป็นก็สุดท้ายเรารู้แล้วนี่พูดมารู้หมดนะสมองรู้แต่จิตไม่รู้ปฏิบัติเยอะ นะมาขัดเกลวอารมณ์โทสะมาทําลายไอ้พยาบาทนี่ทิ้งซะไม่งั้นข้ามภพข้ามชาตินะโอเคนะจริงๆแล้วเรารู้หมดเลยว่าโทสะโมโหทุกมากทุกคนก็รู้ไงก็รู้ว่าโทสะนะมันโกรดนี้มันไม่ดีแล้วก็ทําได้ก็คือไม่ต้องโกรธไงไม่ต้องโทสะแต่มันทําไม่ได้มันเป็นกิเลสเราใช่ไหมเห็น ไ, ไหมผู้เจ้าก็ชี้ทางวิธีแก้ก็ดีทีสุดก็คือทานศีลภาวนา นะก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะล้างมันก็เจ็นลงไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนกรรมเนี่ยให้กลายเป็นโ like อหัวศีกรรมซะนะเห็นแสงสีฟ้าๆม่ว ง, วงๆวิ่งอยู่รอบๆวงกลมดําดําลึกคืออะไรคะมันคือแสงสีฟ้าๆม่วงๆอยู่รอบวงกลมดํานั่นแหละสักแต่ว่าเห็นเนาะไม่ต้องไปรู้มันนะ รู้ก็ไปติดอีกเดี๋ยววันไหนก็เห็นแสงสีแดงๆอีกแล้วก็อะไรอีกทำไมอีกพระครูบอกแล้วให้พ่ะครูถือไมค์คนเดียวเราทำอย่างเดียวทิ้งไม่ซะนะมันเกิดวิตกจริตเพราะไอ้ความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นมีประโยชน์ทำให้เราอันนี้เราสักแต่ว่าเห็นไม่ได้ละเอ๊ะมันคืออะไรทำไมนะมันคืออะไรมันก็คือรูปกล ม, กลม นะดำดำแล้วก็มีแสงไอ้สีม่วงม่วมาอยู่แสงสีฟ้าฟ้าอยู่รอบๆบมันน่ะมันก็คือเช่นนั้นเองเนาะทุกอย่างเป็นการประเมินเราเห็นไหมเราไม่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเราสู้กิเลสเราไม่ได้นะถ้าฤทธกูจะไปแปลให้ฟังเออ ส, สีม่วงสีม่วงสีฟ้ามันคือสั ญ, ญลักษณ์อะไรแล้วต่อไปเจอสีเหลืองก็ต้องอธิบายอีกมันคือสีอะไรอีกเนาะเราจะตามรู้ตามนั่นมันไม่จบนะ เราถูศาลานี้เรามีหน้าที่ถูเช็ดไม่ต้องวิจัยว่ามันเปื้อนเพราะอะไรเห็นไหมอุ้ยเม็ดนี้มันสีฟ้าเกิดจากอะไรเอาไปห้องแหบบรู้แล้วสีฟ้าต่อไปเขียนป้ายห้ามเอาสีฟ้าเข้ามาในศาลาถูไปอีกเห็นมันสีดำๆก็ไปห้องแแบบอีกถามว่าวันนี้ในศาลามันจะสะอาดไหมนะรู้แต่ว่ามันเปื้อน เอาความเปื้อนออกความสะอาดก็แสดงตัวนะพยายามฝึกให้เราข้ามพ้นความอยากของเรานะจิตตัวรู้ปัจจุบันที่มีหน้าที่รู้เฉยๆกับจิตที่พาเราเต้นๆเป็นจิตดวงเดียวกันไหมครับทำไมจิตที่พาเราเต้นๆถึงมีอิทธิพลกับเรามากขนาดนี้นะอันนี้จิตเห็นจิตละ ที่บอกว่าจิตเห็นจิตคือมรคนะไหมจริงๆแล้วมันคนละดวงมันก็ดวงเดียวกันนะ่ะเหมือนเหรียญเหรียญหนึ่งมันอยู่มีมีสองหน้าจิตปัจจุบันเนี่ยคือเด็กเกิดมาเนี่ยเราเรียกว่าจิตเดิมนะที่เกิดมามันบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งแต่ว่ามีจุดด่างจุดหนึ่งปักอยู่ในนั้นนะมันเป็นจิตเดิมแต่มันมีกระแสกรรมอยู่ในนั้นทีนี้เราก็ถูกใส่ชื่อเธอชื่อบัญชานะนี่พ่อนี่แม่นะ นี่นี่รวยนะนี่ความสุขเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่งนแล้วก็ราบาลายไปหมดอันนี้เรียกว่าจิตปรุงแต่งละจิตเราตอนนี้กลายเป็นจิตปรุงแต่งทีนี้ผู้ที่เจ้าไปตัดสรุปสิ่งนี้พรผู้เจ้าจึงบอกว่าเออต้องทําดีแล้วก็ละชั่วเพื่อจะไม่เพิ่มภาระให้เพื่อผ้าผืนนี้ให้มันเปื้อนกว่าเก่านะทำดีเพื่อสร้างกําลังจะได้มีกําลังเพื่อมาล้างมันออกขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไปเรื่อยๆนะีคือสามวิธีนะทีนี้เมื่อเราปฏิบัติแล้ว ถึงขั้นจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมนะจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมขั้นสูงนะก็บรรลุธรรมเบื้องต้นคือเราเห็นธรรมละเห็นทางเดินและจิตเห็นจิตคือมรคละเห็นมรคือทางเดินไปสู่การพ้นทุกข์เราเข้าไปสู่กระแสมรคที่บอกขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิบัติโสดาปฏิมรคนะโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลนี่คู่แรกสกิทาคามีมรคสกิทาคามีผลคู่ที่สอง อนาคามีมัชอนาคามีผลคู่ที่สามอารหัตตมัชอรหัตผลคู่ที่สี่สี่คู่แปดบุตรเป็นสมควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์ในพระรัตนตรัยนะอันนี้ชื่อเรียกของจิตซึ่งเข้าถึงตรงนั้นแล้วนะส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทธสี่เป็นผู้สแสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรมนะก็ ก็จิตเดิมเรานั่นแหละที่เราบอกว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์เราเมื่อจิตอิสระแล้วเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เขารู้ว่าร่างกายเราเวลานี้ตรงไหนบกพร่องนะเขาก็จะสอนให้เราทำท่านนู้นท่านนี้เพื่อจะรักษาร่างกายนี้ด้วยในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เจริญสตินะเขาเจริญมรรคจิตไปเรื่อยๆไปด้วยในช่วงที่เราไล่าลามละรเราเต้นอะไรก็ช่างนี่เราก็วางความคิดยิ่งเร็วยิ่งแรงเนี่ย แต่ละคนฝึกวิชามาไม่เหมือนกันในอดีตเนี่ยนะนะเขาก็เอาถ่ายทอดให้เราทีลราวิทวิชาวิชาสุดท้ายเขาจะเหลือวิชาหลักของเขานะบางคนคุ้นเคยกับมาปุ๊บยืนหมุนอย่างเดียวนะกวิธียืนหมุนตรงนี้นะ่ะย้อนหลังไปพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีสตรีท่านหนึ่งชื่อโซฟีนะเขายืนหมุนนะ่ะชั่วโมงไม่กินไม่นอนไม่อะไรนะระเบิดตุ่มบรรลุธรรมเลย นะช่วงนั้นน่ยมันสร้างพลังจิตมันอยู่ในแกนกลางเนี่ยนะนะพอมมีพลังก็ระเบิดตุ้มแล้วก่อนย้อนไปอีกก่อนพุทธกาลอีกนะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายพันปีก่อนนะตอนนี้ที่ตุรกียังมีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็หมุนแบบนี้บรรลุธรรมตอนนี้อัตถิท่านก็เป็นพระธาตุตอนนั้นยังไม่มีศาสนา มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะก็เราก็เนี่ยเราเห็นไงไอจิตปัจจุบันรู้เฉยเฉยเนะี่ยคือจิตปัจจุบันเนี่ยรู้เฉยเฉยว่าไอจิตเดิมเราเนี่ยเขาทำอะไรเขาเต้นอะไรเราก็รู้เฉยเฉนะเป็นการใช้สติเรารู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแทนที่จะจิตปัจจุบันว่างๆก็เอาไปคิดสร้างโมนโนกรรมแล้วก็สั่งมันพูดด่าคนนั้นด่าคนนี้แล้วไปนั่งเออไปแบกโลก นะไปห่วงคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยนะเราก็เอาเวลาตรงนี้เนี่ยมาเรียนรู้กับจิตเดิมเราเ็าจะถ่ายทอดแล้วก็วิชาเดี๋ยวสักคู่เราก็ฉายให้ดูนะก็มีญาติธรรมที่ว่าเข้าไปในจิตแล้วก็เล่นโยคะโดยเว่าชาตินี้ไม่เคยฝึกเลยเห็นไหมใครเป็นคนเล่นโยคะเหมือนที่เนี่ยถามว่าจิตดวงไหนเป็นคนเต้นนะทำไมเขาเก่งจังพลังมาจากไหนไม่เหนื่อยเลยเไม และจิตที่เห็นเขาเต้นนี่ก็คือจิตปัจจุบันเนี่ยจิตเห็นจิตละเราเข้าไปกระแสมากละนะจากนี้ไปเราก็เปิดเวลาใช้โอกาสจิตเราดําเนินไปเรื่อยๆแล้วก็จิตปัจจุบันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเรียนฝึกวิชามาในอดีตไม่เหมือนกันอย่าไปเรียนแบบนะปล่อยให้จิตเขาดําเนินเองแล้วก็จิตปัจจุบันนอบน้อมถ่อมตนเรียนรู้กับตรงนั้นอย่าใช้สมองโง่ๆของเราไปสั่งจิตเด็ดขาด นะหกสิบหกปีมันก็เรียนรู้ประสบการณ์แค่นี้มันจิ๊บจ้อยนะอย่าบังอาจไปสั่งจิตนะก็จิตปัจจุบันเห็นจิตเดิมพาเราเต้นเพราะจิตปัจจุบันมันไม่เคยเต้นเลยมันไม่เคยทําโยคะเลยมันทําไม่เป็นหรอกบางคนบอกอุปทานไหมอุปทานไหมโอถ้าอุปทานแล้วเราทําได้อย่างนี้เราต้องอุปทานเยอะๆนะนะเราเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องอุปทานฉันวิ่งเร็วที่สุดให้มันเร็วเลยอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ กับพ่อครูผู้ช่วยเหลือผู้สแสวงหานะอยากทราบว่าการตัดกิเลสอย่างถอนลากหรือเหลือน้อยลงจากสภาพแบบล้อนในเมืองระหว่างเดินทางออกจากป่าต้องใช้วิธีใดถึงกับต้องพิจารณาอสุภะกรรมฐานหรือพ่อครูมีวิธีให้ข้ามพ้นเส้นทางตัวเหนียวลังนีครับ โอเคนะไอ้การฝึกพิจารณาอาสุภกรรมฐานเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ40กองกรรมฐานนะอสุภสิบอันที่ไปนั่งดูซากศพท่านั้นท่านี้เพื่อให้เราเกิดความสังเวชนะเมื่อสังเวทปุ๊บเราก็จางคลายความยึดมั่นเพราะครูเห็นนะเขาฝึกอสุภเรียกว่า ak นะกยายยตาคติกยสักษาสตินธรรมดาดูอริยบทของกายด้วยแต่ว่าบางคนก็ไปดู ตับไตไส้พุงไม่ได้เห็นจริงหรอกคือจินตนาการเอาเนะโอ้เราประกอบเราฉีกหนังออกมานะมีแต่เลือดน้ำเหลืองนะมีอะไรมันก็เกิดสังเวชนะบางคนอาเจียนออกมาเลยนะในเวลานั้นรู้สึกสลดใจนะมันจะทำอันนี้คือเวทนาในเวทนานะทำให้เราจางควายความยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพนี้นะมันจะเกิดช่วงนั้นเกิดสังเวช บางทีกินอะไรไม่ได้นะสองสามวันแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็สวยกว่าเก่าแซ่บกว่าเก่าีกมันเป็นแค่การจินตนาการนะอันนี้เห็นมาแล้วนะแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ก็เป็นอุบายวิธีให้พิจารณาดังนี้ให้ระวังความคิดนะมันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นความหลงติดกับความสวยสวยงามงามนั้นแล้วก็ทำลายอัตตาได้ระดับหนึ่งนะมีคุณหมอคนหนึ่งท่านกระบวดเป็นพระภิกษุเคยมาเยี่ยมพ่อู ท่านบอกว่าการที่ไปดูอสุภะเห็นตับไปไสพุงแล้วมันพ้นทุกหนท่านน่าจะพ้นตั้งนานแล้วท่านเห็นของจริงเลยนะคือผ่าตัดบ่อยๆนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความสังเวชนะแล้วก็จางคลายขวามบัตรถึงมาแต่มันมันมันได้ชั่วข่าวนะมันมันเป็นเรื่องจินตนาการนะก็ มันก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นบาทฐานเบื้องต้นของการเจริญสัมมาถะก ร, รมมฐานไม่ใช่ผิดนะสมมติว่าตอนนี้เราดูอสุภาษดูซากศพนะเขาเราียกว่าอสุภา1ินะยกตัวอย่างว่า1ิบท่าท่าที่ซากศพไม่มีคอนะซากศพเน่าเปื่อยแต่แขงซ้ายแต่แขงขวาจริงๆแล้วมันมีหลายๆพันท่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างบางตอนน ะ, ะสมมติเราดูดู ด, ดูก็เกิดสังเวช ทีนี้ดูไปบ่อยๆก็เหมือนหมอเขาผ่าตัดบ่อยๆแล้วมันไม่มีผลสำหรับเราเลยมันมีผลเวลานั้นน่ะนะมันเพิ่มเริ่มจากเราขวาหนอซ้ายหนอเราใช้ร่างกายอรไยบทของกายพุทโธเนี่ยนะใช้เครื่องมือที่มันใกล้ชิดเราสุดลมหายใจไม่ใช่เรานะไม่ใช่กายเราด้วยนะแต่ร่างกายเราต้องอาศัยลมหายใจบางคนก็เกาะลมหายใจค่อยๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไ ป, าไปนะจากกายนอกกายนะ ยุบอพองหออรจะบทของกายข้างนอกยุบพองฝาท้ายทําไปทํามาเมื่อมันนิ่งปุ๊บมันก็เข้าไปในกายเข้าไปกายข้างในนะเหมือนเราบวชนี่แหละเขาจะให้เราพิจารณาขนผมเล็บหนังอะไรเนี่ยของนอกกายนี่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าไปข้างในก็จินตนาการแล้วก็เรื่องกายยะคตาสติเนี่ยหรือว่าไปพิจารณาสุภาข้างในหรื อ, อสุภาข้างนอกไปนั่งดูสร้างศพเพื่อ ให้มันข้ามพ้นจากกายเข้าไปสู่เวทนานะแล้วก็พิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นการเจริญสติแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีทฤษฎีที่เขาไปนั่งดูจิตไปนั่งดูจิตดูจิตดูจิตดูจิตจริงๆแล้วเขาก็เห็นเอ่อไปนั่งบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตแล้วก็ไปนั่งดูมันแล้วก็เห็นเงาของมันเห็นไหมเห็นอารมณ์หยาบๆนี่เป็นแค่เวทนาไปส่องดูหน้าต่างอยู่บ้านข้างในมันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่า อันนี้ก็เป็นแค่ขั้นเจริญสติโดยใช้ฐานจิตมาดูจิตก็เป็นสตินะแต่ว่ามันยังเปื้อนเหมือนเก่าจริงๆแล้วเนี่ยกายในกายเวทนาในจิตในจิตต้องเข้าไปในจิตในจิตเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตไม่ใช่ไปนั่งดูจิตพอเข้าไปปุ๊บเราถึงเสพอารมณ์ในในบ้านว่าเออมันมันเย็นร้อนยังไงมันเปื้อนยังไงเราถึงมีโอกาสได้ขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะพอเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมนะอารมณ์อยู่ข้างในบ้าน นะนั่นแหละคือเราเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเราสะสมวิบากกรรมนะทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบอยู่ในนั้นนั่นคือกล่องปัญญาของเราไปเรียนรู้กับประสบการณ์เดิมของเรามันจะเกิดปัญญานะก็ที่ว่าพิจารณาสุภาษ่ตก็เป็นเบื้องต้นนะแต่ถ้าเราไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรู้เรื่องอสุภาไอ้จิตเดิมมันฝึกมาแล้วบางครั้งมันก็ทาให้เราเนี่ยไปเห็นสุภาเองนะ เห็นเองนะอย่าไปสั่งเดี๋ยวจิตเขารู้เองว่าจิตปัจจุบันมันติดอะไรควรจะพาจิตปัจจุบันเนี่ยบางทีมันพาเราไปท่องอดีตเห็นไหมถ้ามันรู้ว่าจิตปัจจุบันมันไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไม่เรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมันจะพาเราไปเที่ยวอดีตไปเห็นกรรมที่เราสร้างมาทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันจะส่งผลอย่างไรแล้วเราก็จะละลายความข้อสงสัยและจะเกิดศรัทธานะเอาเป็นว่าเรามีหน้าที่ปลดปล่อยให้จิตเราอิสระ นะเมื่อจิตอิสระแล้วนี่จิตเดิมเราสมว่าเขาจบปริญญาโทนี่เขาจะมาต่อเองนะเขาจบตีเขามาต่อโทรไม่ใช่จับเขามาเรียนอนุบาลใหม่แบบทุกวันนี้นะก็เอาเป็นว่าใช้ชีวิตในเมืองนะอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันเวลาแปลงฝันก็อยู่กับการแปลงฝันเวลาขับรถก็อยู่การขับรถ เรามีหน้าที่ทําอะไรแล้วก็อยู่กับมันอยู่ปัจจุบันกับมันนั่นแหละนะถ้าเราทําได้เรื่อยๆเนี่ยอารมณ์ข้างๆตัวเนี่ยลดเสียงดังเขาด่ากันเนี่ยกระทบไม่กระเทือนคือสะสมแต้งไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําก่อนจะแปรงฟั น, นเออเช็คกิ้งสักห้านาทีก็พอนะยืนขึ้นมาเช็คไม่ต้องมีเสียงหรอกนะแล้วก็เป็นการปลุกสติสมาธิเราตื่น แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่เรานอนทับมันทั้งคืนเนี่ยเห็นไหมเหมือนเหมือนสุนัขนั่นแหละมันนอนนานๆลุกขึ้นมามันก็เช็คติ่งมันสั่นมันก็เหา่ามันก็ฮอนนะคลายอารมณ์เครียดมันถึงไม่เป็นมะเร็งเนาะห้านาทีก็พอนะแล้วก็จากนั้นมาทั้งวันอยู่ปัจจุบันพยายามอยู่ปัจจุบันไม่ต้องถึงขั้นเป็นหุ่นยนต์ไม่ต้องไปกําหนดรู้รู้ว่าเราอยู่อะไรเราก็อยู่ตรงนั้น มันเผลอคิดไปอวกปุ๊บเนี่ยพอรู้ปุ๊บดึงกลับมาคืนพยายามทำไปเรื่อยๆนะกำลังเราจะเพิ่มมากขึ้นกลางคืนอาบน้ำเสร็จถ้าพะกูไม่บอกว่าถ้ามีเวลาทุกคนมีเวลาอยู่แล้ว24ชั่วโมงเท่ากันถ้ามีเวลาอาบน้ำมีเวลากินข้าวต้องมีเวลาอาบจิตด้วยขอสัก20 30, 30นาทีก็พอนั่งเบี่ยงพราเรานั่งเจริญสติพูดโทพูโธเราก็ได้สติอันนี้เรานั่งเบี่ยงเนี่ยทั้งสติสมาธิปัญญาทั้ง เลือดลมมันก็วิ่งได้กายภาพบาบัดด้วยนะภูมิคุ้มกันมันก็เกิดนะวันหนึ่งสัก 20-30 นาทีนะถ้าวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำงานก็ทำยาวหน่อยหนึ่งคือ 20-30 นาทีนี่เราชาระล้างอารมณ์ปัจจุบันแต่ละวันที่เราเผลอเอาเข้ามาเนี่ยเอามันออกทุกวันแต่ถ้าเรายาวกว่านั้นเน่เราจะได้เอาของเก่าออกด้วยนะก็เออเอาเลิกสะดวกของเรานะสาคัญคืออย่าไปเคร่งเครียด ก็ครูบอกว่าให้ปฏิบัติฝึกซ้อมไปเรื่อยๆให้เกิดความชำนาญสม่ำเสมอในวงเล็บวัดสีเมื่อชำนาญขึ้นสมาธิดีมีพลังมากขึ้นจะเกิดปัญญาขัดเกาจกิเลสได้มากขึ้นตามลำดับเพื่อบรรลุหลุดพน้นหมายถึงโสดาบันไม่เสื่อมอีกปลอดภัยใช่ไหมครับตัวที่โอเคนี่คำที่สองนะฮะโสดาบันก็ดีปลอดภัยในง่ว่าไม่มีนรกอีกแล้ว นะแต่อย่าประมาณนะนะออโสดาบันนางวิสาขาโสดาบันนั้นแต่เจ็ดขวบก็ไปแต่งงานมีลูกเป็นโหรโหลอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะได้แค่โสดาบันก็คือว่าเหมือนเมคชัวว่าเราได้วีซา่าแล้วนะนรกสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่ใช่ทางผลถูกนะแต่ยังน้อยถ้าเราถึงขั้นโสดาบันเนี่ยเราได้วีซา่าคือตัดนรกออก แต่ถ้าสวรรค์นี่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเสียเวลาชีวิตในวัฏสงสารแต่ถ้าเราจำเป็นต้องไปพักผ่อนก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ใช้เวลายาวมากนะนะอริยะสมบัติเท่านั้นน่ะนะเป็นทางพ้นทุกนะถ้าเรามุ่งมั่นทำดีแต่อย่าไปติดดีถ้าเราทำดีเราติดดีปุ๊บเนี่ยสวรรค์สมบัติต้องไปเสพกรรมดีนั้นนะกรรมดีก็ต้องรับนะถ้ามันไปติดดีเนี่ยมันไม่ใช่บุญ่ะมันเป็นกรรมดี ทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานสลัดออกสลัดความโลภความต น, นีเราออกนั่นแหละบุญคือเบาบาบขึน้นนะ่ะนะถ้าสะสมบุญนะนะบางคนสอนว่าคิดถึงมันบ่อยๆนะมันจะตายก็คิดถึงบุญนะนะอันนั้นแหละไปใช้พักเวลาพักผ่อนอยู่บนสวรรค์นะเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขนะนะอะไรทําไมสุขแล้วมันทุกข์มากอ่ะนะเออเสพ บ, บ่อยๆมันก็เบื่อเนาะ นะนั่นแหละทุกมากนะก็มันไม่ใช่ทางผลทุกขนะ์ทีนี้เราปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยกำลังเราก็เยอะขึ้นไอ้กิเลสนี่ยอย่ากังวลมันมากนะแค่รู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้เท่าทันนะถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกก็ไม่เกิดนะถ้าทําอะไรตามกิเลสแต่ไม่เนื่องด้วยตัณหาเนี่ย มันจะไม่บันทึกสัญญาเป็นวิบากกรรมนะทำไปเรื่อยๆอย่ากังวล เ, เรามีนิพพานเป็นเป้าก็ดีแล้วนะแต่อย่าไปเครียดเราคิดยังไงถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ไปไม่ถึงหรอกนะก็เรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมนุษย์อย่าบังอาจไปสั่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราไม่ได้ยิ่งใหญ่พอพ อ, พอสมควรนะเอาเป็นว่าเรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เขาจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้นนะแต่เรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้เขาเกิดขึ้นตัวที่ต้องผ่านคือสั ก, กะยะทิฏฐิยากอย่างไรวิธีเข้าถึงด้วยครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะแก้ทีละอย่างทีละอย่างหรอกนะเอาเป็นว่าเราทำทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเราจเจริญมรรคเนี่ย ทั้งมรคภายนอกมรคภายในไปพร้อมกันเมื่อถึงเวลาหนึง่งกําลังมันถึงแล้วเนี่ยมันจะจัดการตัว น, นั้นทีนี้มันจัดการไม่ใช่ทีละข้อสักยัลนะส่วนมากมันจัดการปุ๊บไอ้สมข้อแรกนี่มันผ่านไปละสัตตยทิฏฐนะิวิจิกิจฉาศิลปพาหมาสเนี่ยมันจะไปพร้อมกันเหมือนเราเรียนปริญญาตรีมีสามวิชานั่นแหละนะพอมันจบมันก็จบพร้อมกันนะทีนี้มันไม่ใช่ว่า ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะบางคนเราเบิดตู้มเดียวเลยเนี่ยมันหายไปทั้งทั้งสิบเลยนะเพราะว่าจิตเดิมเขาเขามีบา ร, รมีเก่าแล้วนะแต่ว่าอย่างน้นอยๆที่บอกว่าเราดวงตาเห็นธรรมนี่เราไปอยู่ขั้นต่ำสุดบางคนครั้งแรกดวงตาเห็นธรรมเปิดฝาปุ๊บตู้มเดียวจบเพราะว่าของเก่ามันทำมาแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จนะว่าต้องไปทาทีละขั้นแบบนั้น เวียงแล้วไม่เห็นอดีตรหรืออะไรทั้งสิ้นแต่จะเวียงไปต่อได้อะไรคะได้เวียงครับเห็นไ้มเราเป็นทุนนิยมนะเราเป็นทุนนิยมทำแล้วได้อะไรนะมีคนถามพระพุทธเจ้าไงนะเพราะครูจำไม่ได้พระอาจารย์สันชัยมั้งเป็นอดีตครูบาอาจารย์ของของภาษาลิบุตรกโมคลานะนะ ผลทางของท่านเนี่ยปฏิบัติแล้วได้อะไรพระองค์บอกของทางแห่งพุทธะนี่ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยเราจะสูญเสียความทุกไปเราจะสูญเสียความโลภความโกรธความหลงไปไมิตรขาทุนนะจะไปปฏิบัติเพื่อได้อะไรปฏิบัติเพื่อมันไม่มีอะไรนะเสียด้วยเราจะเสียความทุกไป เราจะเสียความโลภความโกรธความหลงไปนะถ้าใครยังไม่พร้อมกลัวจะเสียเนี่ยไม่ต้องปฏิบัตินะยังไม่สายเนาะใช่แล้วหนทางแห่งพุท ธ, ธะไม่ใช่หลักการไม่ใช่ปัจชญานะแต่เป็นความจริงประสบการณ์ของพระองค์สัมผัสมาไม่ใช่คิดเอาไม่มีหลักการที่แน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ปัจฉญามันคือสัจธรรมความจริงนะ พลังสมาธิช่วยให้ภูมิแข็งแรงไหมทำอะไรก็ช่างทั้งทางโลกทางธรรมนี่สมาธิเป็นตัวเริ่มต้นอย่างมักมีองแ์ดเนี่ยเราเขียนข้อแรกเห็นชอบคือสมาทิติดําหรีชอบวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบทีนี้บางคนไปอธิบายว่าต้องเริ่มจากมีปัญญาก่อนนะเห็นชอบ <c oughs> ดำริชอบเป็นเรื่องของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทำชอบเป็นเรื่องของศีลศีลในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์มีแค่สามข้อไม่แบ่งชั้นวรณะเท่าเทียมกันเสมอภาคกันนะมีแค่สามข้อส่วนความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเป็นหมวดของสมาธิพิสูจน์อะไรความเพียรกับสติเนี่ย เป็นกําลังของสมาธิเท่านั้นเองสติไม่ใช่พระเอกนะทีนี้เราเข้าใจว่าเออต้องเธอต้องมีสมาธิติเบืบ้องต้นนะเออเด็กๆ เ, เธอต้องมีปัญญานะมันจะปัญญามาจากไหนกลายเป็นว่าไล่จากปัญญาแล้วสุดท้ายแล้วเธอจะมีสมาธิเป้าหมายเราไม่ใช่ว่าต้องการมีสมาธินะเป้าหมายเราคือให้เกิดปัญญาแต่ต้องเริ่มจากสมาธิเหมือนตึกแปดชั้นน่ะเป้าหมายเราขึ้นชั้นแปดเราต้องขึ้นลิฟต์จากชั้นหนึ่ง ทุกอย่างต้องเริ่มจากสมาธิก่อนนะเมื่อสมาเราขับรถเนี่ยเรามีสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับมันสติมันก็ตื่นรู้ขึ้นมานะความเพียรก็ตามมาเพราะว่าเราตั้งมั่นอยู่กับมันนะเมื่อสมาธิตั้งมั่นสติตื่นรู้เราเป็นหนึ่งเดียวกับเราขับรถแล้วเนี่ยจิตเราก็ไม่แสบใส่เพราะพลังสมาธิทําให้เราสงบนิ่งศีล คือความปกติของจิตมันก็แสดงตัวนะเหมือนน้ำมั น, นิ่งนะมันพร้อมที่จะเจริญวิปัสนาพร้อมที่จะเจริญปัญญาอารมณ์ทั้งภายนอกเกิดขึ้นเราเห็นมันอารมณ์ข้างในเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะเห็นมันชัดขึ้นนะสมาธิศีลปัญญาถ้าในแง่เจริญมั้งแต่ทีนี้ไตรศิกขาบอกศีลสมาธิปัญญาเอ้าครูบาอาจารย์ก็บอกเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะถ้าเธอไม่มีศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิก็ไม่เกิดอีก เมื่อกี้เมื่อกี้แสดงมรคบีองแป8เธอต้องมีสมาธิติเป็นเบื้องต้นนะถ้าเรามีสมาธิติเรามีปัญญาแล้วไม่ต้องปฏิบัติคือจบแล้วเอาเรื่องทไมสองอย่างนี้เนี่ยก็มรคบีองแปดขยายผลมาจากใจสิกขาบังเอิญเขาเขียนศีลขึ้นมาก่อนแล้วบอกต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะโจรเธอต้องมีศีล น, นะเธอไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดนะอย่างนี้ชาตินี้ไอโจรไม่ต้องปฏิบัติถ้าโจรเขาห น, น, นีตำรวจมาที่นี่นะ ทุกมากมันทุกมากมันคงไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเลยมันต้องเริ่มต้นยังไงโจรเธอต้องมีศีลก่อนนะพปุ๊ บ, บมันก็มีเลยเลยโจรมึง น, นั่งสมาธิไหนยิ่งตัวเวี่ยงนี้นะมันเวี่ยงปุ๊บเอาสายแรงดึงระหว่างเสียงกับผูเนี่ยดึงไปดึงมาเหมือนหมุนลูกข่างมันดิ่กเข้าไปในแกนกลางของตัวนั้นนะ่ะนั่นคือเอกขตาลมเป็นฌานสี่เป็นสมาธิสูงสุดพอมันเข้าไปในจิตปุ๊บเนี่บารมีส่วน ส่วนบวกที่เขาสร้างมาเยอะเหมือนกันน่ะมันมาต่อยอดมันเกิดปัญญามันก็จะเลิกเป็นโจร น, นะสมาธิเป็นตัวสุดท้ายแต่เป็นธรรมะที่สำคัญมากเป็นตัวเริ่มต้นนะส่วนศีลสมาธิปัญญาในใจสิกขาเนี่ยศีลตัวนี้เป็นแค่วิใ น, นโอเคเรามาเข้าข่ายตอนนี้เราจะถือศีลอะไรดีเอาศีลห้าศีลปดดีไหมแต่เวลาฝึกจิตปุ๊บต้องเริ่มจากสมาธิทุกครั้ง พ่อครูเองนี่4ี่ิปีสินห้าบอกไม่ให้ทำไรทาหมดไม่มีสินแบบนั้นอาคนไม่มีสินแบบนั้นทำไมมันนั่งอยู่ที่นี่ได้พ่อครูเริ่มทำสมาธิสามชั่วโมงนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งสุดท้ายเมื่อมันระเบิดปุ๊บเมื่อจิตมีปัญญาแล้วมันโง่ที่จะไปทำผิดสินโง่ที่จะไปทำชั่วไหมมันไม่มีเหตุต้องไปทาไง มันทำลายความสกปรกความอยากอัตตาตัวตนมันระเบิดทิ้งแล้วเนี่ยมันแก้ที่ต้นเหตุของมันเมื่อมันไม่มีอนาคตมันไม่ต้องคิดด้วยที่เราคิดเนี่เพราะเรามีความอยากมีอนาคตเราถึงคิดวางแผนก็สร้างมโนกรรมเหม็เพราะเราอยากไงเราถึงไปโกหกเขาเราถึงหลอกดวงเขาเราถึงไปขโมยของเขาเมื่อมันไม่มีตัวอยากแล้วมทำไมต้องไปทำล่ะนี่เนศีลคือความปกติของจิตอันนี้คือศีลแท้ ส่วนศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกมันเป็นแค่วิในนะยังศีลส2งิของครูบาอาจารย์พระภิกษุเนี่ยเนื่องจากว่าพุทธบริษัทสี่ผู้เจ้าแยกให้คนเราทำหน้าที่ไม่เหมือนกันพระภิกษุเนี่ยท่านต้องไม่ต้องทำมาหากินถ้าพูดถึงอาชีพเหมือนท่านเอาเปรียบเรานะนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะท่านเสียเปรียบเรามากเลยนะท่านต้นท่านท่านต้องป่งผม ต้องทำลายความสวยงามโกนคิ้วต้องปงข้าวเย็นปงเสื้อผ้าสวยงามมีชุดเหลืองๆชุดเดียวเห็น ไ, ไหมทีนี้ท่านไม่ต้องทำมาหากินท่านจะได้มีเวลาเนี่ยศึกษาธรรมมุ่งมั่นมั่เพ็นเพียร น, นะถ่านในพุทธบริษัทสี่เนี่ยท่านเป็นบริษัทแนวหน้าส่วนพวกเราผู้คองเลือนเขาบอกเออเอาสินห้าก็พอนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปสร้างกำ ในการอยู่ร่วมเมื่อเราทำมาหากินแล้วเราต้องแบ่งเวลาแบ่งส่วนเกินเราเนี่ยไปดูแลพระภิกษุไม่ชีนักบวชเขาเพราะว่าเขาเขาเขาต้องทำหน้าที่การศึกษาธรรมเมื่อเราไปถวายวัตถุทานไปเลี้ยงพระเลี้ยงชีเลี้ยงเนนะท่านกลัวจะเป็นหนี้เราท่านก็ให้ทรมาทานเราไม่มีใครเสียนะต่างคนต่างได้ให้ ศานะ ส, สนาพุทธถึงมาจะลงมาทุกทุกวันนี้นะมันเป็นอุบายวิธีที่แยบยนต์มากนะก็เมื่อท่านต้องให้ผู้คนเนี่ยศรัทธาไปกราบไหว้นะไปทำบุญเลี้ยงพระหรืออะไรเนี่ยท่านต้องทำตัวเป็นพิเศษท่านต้องมีข้อบังคับมากกว่าคนอื่นท่านต้องอยู่แบบสัมถม า, าเรียบน่ายกว่าคนอื่นไงใช่ไม อันนี้คือเป็นอุบายวิธีของศาสนาแต่เป็นเป็นศีลแค่ศีลภายนอกเป็นข้อกําหนดเป็นศีลวินยัยนะเพื่อกํากับเพื่อเตือนสติให้เราอยู่ในกรอบตรงนี้เพื่อไม่กระทบกระทั่งเป็นศีลอยู่ร่วมส่วนศีลซึ่งเป็นปกติแล้วเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วข้างในอย่างทาซานนี่มีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ต้องถือศีลแล้วตอนนี้ศีลเราหายไปไหนหมด เราถูกอวิชาคือความรู้ผิดครอบงำความรู้ใดที่แฝงด้วยโลภโกรธหลงเนี่ยนะถือว่าเป็นอวิชาทั้งสิ้นมันกบเกินสินปกติเราแล้วก็มีความอยากเราก็เลยไปทาผิดสินนะส่วนสินตัวหนังสือเนี่ยบางทีบอกมือถือสากปากถือสินปากก็นับไปมือก็ถือไปถือถื อ, ถอหุดหุดเพราะข้างในมันไม่มีศินแต่ก็ยังดียังมีตั ว, ตวกาหนด เหมือนกฎหมายบ้านเมืองแหละแล้วกฎหมายเหตุตกลงกันว่าเราอยู่ภายใต้นี้ถ้าเธอทำผิดเธอจะถูกปรับถูกดิดคุกติดอาลางเนี่ยอันนั้นเป็นตัวที่เตือนสติเราอยู่ร่วมกันนะสินห้าสินแปดสิน 10, สิบสินปฏิโมกเป็นแค่วิหนยส่วนสินจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีไม่แต่หนึ่งข้อนะมันคือความปกติของจิตนะก็ เบี่ยงแล้วไม่เห็นอดีตหรืออะไรทั้งสิ้นก็ดีแล้วถ้าเห็นยังเสียเวลาเหวี่ยงทิ้งอีกนะนะก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สบแต่ว่ารู้เมื่อเรามีอะไรไม่สงสัยเราก็ทําไปเรื่อยๆนะสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะแล้วก็สมาธิเนี่ยมันทําให้เราตั้งมั่นสติก็ตื่นรู้เดี๋ยวเราก็เกิดปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวหลักต้องใช้มันบ่อยๆนะ ไม่ใช่ไปฝึกสมาธิฝึกสมาธินะแล้วก็ออกไปก็ไม่ไม่ใช้สมาธิไม่ใช้สตินะใช้แต่อารมณ์อันนั้นเป็นแค่ฝึกแบบรูปลูบแบบเหมือนบางคนถามพระครูพระคระูแผ่เมตตาไหมไม่ยี่สิกปีพระครูไม่แผ่เมตตาแต่วัฒนธรรมที่ครูบาอาจารย์พาเราทำวัดเนี่ยนะเป็นการแผ่เมตตาเป็นการเตือนสติว่าเราต้องอย่าลืมเบื้องเมตตานะ พาอครูไม่ต้องแผลแต่พระครูเมตตาทุกวันแล้วแผลฟังละวไผเลาะพ่อพิงเป็นชั่วโมงเลยนะซาบซึ้งแต่ออกไปเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งก็ไปด่าเขาแผลมาเกือบตายแต่ไม่มีเมตตาอันนี้ไร้สาละแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์การแผลเมตตาเนี่ยเป็นการขัดเกาจิตเป็นเตือนสติเราว่าต้องอย่าลืมเมตตานะเห็นไหมพรอครูเมตตาทุกวัน มันคือผลมันแล้วแต่ตอนแผ่นี่เป็นอุบายวิธีเตือนสติให้เราอย่าลืมเมตตาทุกอย่างมีประโยชน์นะแต่เราต้องรู้ว่าประโยชน์มันคือเราไม่ใช่ว่าไปแผลมันเพาะพิงนะติดรูปแบบสมรวมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ป, ปฏิบัติไม่นำไปประพฤติเนี่ยมันก็ไร้สาระ <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าสมาธิสำคัญที่สุดทำไปเถอะนะเดี๋ยวทุกอย่างมันตามมาหมด <Yeah. S 1> แต่จริงๆแล้วเนี่ยสมาธิ สตินี่โจรก็มีนะโจรเขาต้องใช้สติสมาธิมากกว่าเราอีกนะเพราะมันต้องย่องเบาแต่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีปัญญาถึงบอกว่าไม่ได้จบอยู่ที่สมาธิกับสติแต่สมาธิสติเป็นบาตฐานเพื่อให้มันเกิดปัญญาเราจเจริญมรรคเราเดินทางออกจากป่าถ้าเราไม่ใช้สมาธิเดินเราจะขัดขาตัวเองล้มเราไม่มีสติเราจะทนต้นไม้ตกเขวตกบ่อเห็นไม ต้องใช้ใช้ใช้ใช้ใชย้ยิ่งใชย้ยิ่งชํานาญนะการเจริญมักไม่ใช่ช่วงฝึกนะเป็นช่วงเดินทางของจิตกาบนมัสการพ่อครูกาบพ่อครูก็พอนะไม่ต้องนมัสการนะเป็นพ่อครูนะไม่ใช่เป็นพระครูโอเคนะ อาการที่เวลาเข้าสมาธิจิตของจิตนั้นในเวลานั้นต้องการวิ่งกึ่งเดินในบางครั้งแต่พอจะเดินหรือวิ่งอยู่จะเกิดอาการคือกังวลว่าจะไปชนหรือหรือเหยียบคนที่ปฏิบัติอยู่เช่นกันบางครั้งก็จะลืมตามองต่ำหรือมองไปในทิศทางที่จิตต้องการให เปิดตามองแต่บางครั้งจิตก็ไม่ต้องการให้ลืมตาแต่ใจเราก็เกิดกังวลอยากทราบว่าถ้าไม่ลืมตาจิตก็รู้ได้ใช่ไหมคะว่าจะไม่ชนแน่นอนนะจิตรู้แต่มันไม่เห็นนะมันจะชนนะเวลาถึงบางคนว่าลืมตาหลับตาไม่ไหมเราหลับตาก็อย่าวิ่งอยู่กับที่พอมันชํานาญแล้วเนี่ยต้องลืมตา นะถ้าเราไม่ชำนาญเราลืมตาปุ๊บมันจะหลุดจากตรงนั้นเหมือนเราไปนั่งกรรมฐ า, านตอนนั้นสงบนิ่งพอลืมตาปุ๊บหลุดเลยแต่วิธีเวียงเนี่ยเราเวียงสักพักนึงเนี่ยเราลืมตาหลับตามีค่าเท่ากันสุดท้ายเราต้องลืมตาแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตประจําวันมันก็หมุนอยู่ตรงนั้นแหละนะถ้าเราถึงขั้นมันจะวิ่งแล้วเนี่ยต้องลืมตาน้อยต้องลืมตาแต่เน้น้อยเห็นนะต้องลืมตาถ้าเราลืมตากว้กวางๆเรายังไม่แข็งแกร่งปุ๊บ มันจะถูกเอสภาว่าสิ่งแวดล้อมข้างๆเร า, าจะไปดูดภาพเข้ามามันจะกระทบกรรมฐานเรานะ ก, ก็ต้องลืมตานะปอลสามวันแรกพอจะเข้าศาลาปฏิบัติรู้สึกว่าจะเดินเข้าสนามลบแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าหลังกำลังจะเดินเข้าสวรรค์มีความสุขมากกะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะอนุโมทนาสาธุจากสิทธิขี้สงสัยคนเดิมค่ะรู้ตัวก็ดีละขนาดรู้ว่าขี้สงสัยนะก็ก็กยังสงสัยอยู่เนาะนี่แสดงว่ารู้ไม่จริงนะถ้าเรารู้ว่าเราขี้สงสัยแล้วแล้วก็เบี่ยงขี้ทิ้งซะ ก็ไม่ต้องสงสัยเนาะอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่จนถึงเมื่อวานที่สงสัยเขากิ้งกันทําไมจับมาอีกแล้วจับมาอีกแล้วนะทำไมต้องกิ้งเอาจับมาอีกแล้วเมื่อกี้ในกิ้งทําไมแล้วทําไมต้องกิ้งแล้วกิ้งได้ยังไงโอ้สั้นๆเนี่ยมีสามคำถาม <laughs> นะ เขากิ้งกันทำไมทำไมต้องกิ้งแล้วกิ้งได้ยังไงเนาะลองกิ้งดูเนาะจะได้ไม่ต้องถามเนาะเห็นไมไม่ลองไม่รู้ไงถ้าพระครูอธิบายมันก็เข้าใจไม่เข้าจิตอีกเดี๋ยวก็สงสัยอย่างอื่นอีกนะเห็นไหมโอเคนะเขากิ้งกันทำไมนะเขากิ้งกันทำไงเขาไม่มีเจตนาที่จะกิ้งแต่จิต เขาทำให้กิ้งกิ้งเพื่ออะไรรู้ไหมนะช่วงนี้มีเห็นอะไรเมื่อกี้ในแก้วที่ก็เปิดอะไรเวอร์ชันอะไรให้พวกกูดูนะมีอิสลามลัทธิหนึ่งเนี่ยเขาปูผ้าแดงเนี่ยเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเลยทำอะไรรู้ไหมไปกิ้งกิ้งอย่างเดียวนะแต่เขาใช้สมองกิ้งกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมามันเป็นอุบายวิธีทำลายตัวตนเราเป็นผู้ใหญ่เรามากิ้งเขาล่อเขาล่อเนี่ย หมดรูปเลยใช่ไหมเห็นหเรารักษารูปลักเราไงพอกิ้งปุ๊บมันทำลายอัตราตัวตนทำลายไอ้ตัวนั้นเป็นทาลายอุปทานอย่างหนึง่งแล้วมันก็ปรับสมดุลของของร่างกายนะแล้วช่วงเวลาเรากิ้งนี่จิตมันต้องไปกไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะลม้เมเไเรายืนหมุนนั่งหมุนเรายังต้องควบคุมนะลึกๆต้องควบคุมอยู่แต่พอมันใช้วิธีกิ้งมันอิสระมาก นะมันจะเร็วมากร่างกายไม่ทันหรอกแต่ร่างกายเนี่ยทำเท่าที่ทำได้คล้ายๆว่าอย่าไปยื้อยุดมันไว้สนับสนุนมันนะ่ะร่างกายเป็นแค่เครื่องมือมันกิ้งมันมีในยาของมันหนึ่งมันทำลายอัตราทําลายอุปทานที่เรารักษาลูปลักเราเนี่ยแล้วจะเกิดความอิสระมากนะอันนี้ดีที่สุดก็คือลองกิ้งดูนะทไมต้องกิ้ง อันนี้ไม่ต้องมันกิ้งเองนะแล้วกิ้งได้ยังไงลองทําดูเนาะเมื่อวานได้คําตอบแล้วค่ ะ, ะยังไม่อ่านจบเนาะแต่เป็นของคําถามท้ายสุดโหมันกิ้งหมุนอย่างกับตัวเป็นสว่านแรงกิ้งมาจากไหนไม่รู้ค่ะแต่ก็ต้องมาสะดุด หยุดเมื่อโดนเบรกนะพอพอพอพอออกต่อจากนั้นก็อาเจียนนั่แหละคือคำตอบไงมันจิ้งทำไม่จิ้งให้เราเมาไม่งั้นเราไม่ยอมอาเจียนอาเจียนเป็นเรื่องดีนะเป็นการสำลอกออกแต่เราไม่ค่อยชอบ เราชอบเอาเข้ามันอร่อยอร่อยแซ่บแซบแต่ออกมันเสียดายนะอย่างนี้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องไปนั่งซ่วมนะถ้ามันไม่ออกนี่ตายเลยนะเนี่ยเชื้อโลกเข้าทางปากออกทางปากมันจะออกปล่อยมันออกเถอะอย่าไปขี้เหนียวเนาะมันจะขับพิษแล้วนะเนี่ยตอนออกนี่เรื่องดีมากแต่ตอนเข้าต้องระวังมีสตินะต้องดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเนาะแล้วก็ให้มันพอดีนะไม่ใช่อร่อยกินจน จนจนท้องอื่ น, นะกินอร่อยแทบแทบจนท้องล่วงเนี่ยอันนั้นแล้วก็ไปบอกว่ามันไม่ปกติตอนไม่ปกติมันเกิดขึ้นจากเรากินอย่างไม่บัญยะบบรรยังเราคิดอย่างไม่บัญยบรรยังมาถึงปวดหัวไงเห็นหก็ทำให้ตัวเองเป็นปกตินะนี่นี่คือคำตอบแล้วไงเห็นไหมมันวิ่งเร็วมากเห็นไมเนี่ยเราต้องเราต้องสัมผัสด้วยตัวเราเองเพราะครูอธิบายยังไงเราก็เข้าใจไม่เข้าจิต พอเจอเองแล้วเนี่ยก็บอกว่ามีคำตอบแล้วพอวันนี้ลงจิ้งอีกโดนเบรกหยุดคือโดน เ, เขาต้องกันนะเพราะเราจะไปชนเสาบ้างชนคนอื่นบ้างาขวางการหมุนเลยนอนแผ่โดยดองนแผ่ อ๋อคำถามค่ะถามอีกแล้วแผ่แล้วยังถามอีกแล้วต้องลุกมากิ้งต่อไปหรือไม่คะเอาอีกลโอ้ต้องถามทุกสเต็ปเลยนะทาต่อไปตำรวจก็ไม่จับเนาะไม่ทำตำรวจก็ไม่จับนียแล้วแต่เราก็แล้วกันเนาะโอ้ถามทุกอย่างเลยเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเพราะยังไม่สงสัยค่ะ โอ้ยแสดงว่ายังมีคำถามอีกพอนะ่แค่นี้พอดีกว่าเนาะนั่นแหละวางไม่ซะให้พระคูถือคนเดียวทำเลยรบกวนขอคำปรึกษาค่ะแม่ของจุ๋มมีผีปอบมาอาศัยร่างอยู่พี่สาวกับหลานกลัวกันมาก ลบกวนถามพรอครูข้าว่าในทางธรรมนั้นจะแก้ไขอย่างไรดีคะช่วยด้วยนะคะสงสารแม่และบอกแม่ให้รู้ดีไหมคะแม่จะเชื่อไหมคะช่วยด้วยคะ่ะผีเปาะเหมือนอย่างนี้นะเหมือนเราพ่อครูถามทุกคนมากลัวผีไหมกลัวคนไทยเรากลัวผี เด็กๆกลัวผีเคยเห็นผีไม่รูกไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยแต่กลัวมันนะพอไปเดินป่าก็บอกผีๆๆนี่กลัวจนวิ่งไม่ออกเลยนะบางคนตกใจสลบเลยเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาผมร่วงหมดเป็นผีหัวโกรนโดนผีหลอกก็อบอกแล้วมันผีหลอกมไม่ใช่ผีจริงนะผีในใจเรามันหลอกเป็นอุปท า, านพอเรากลัวปุ๊บเนี่ยร่างกายมัน ชะนักหัวใจนี่แกงบอมันจะหลังสารชนิดหนึ่งออกมามันส่งผลกายภาพผมร่วงหมดเนยเขาเรียกโรคผีหัวโกนผีปอบนี่เหมือนกันเป็นอุปทานอย่างหนึ่งเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งบางทีจิตเดิมนั่นเราเคยมีอาการแบบนี้มาทีนี้มันส่งผลเราเราก็ไม่รู้แต่ทีนี้เขาแก้โดยอย่างนี้นะเขาแก้โดยมีสองอย่างคือว่าในทางวิทยาศาสตร์เขาแก้โดยไปกินยาไปฉีดยา ให้มันลืมอารมณ์นั้นใช้เวลาสักพักหนึ่งมันก็ผ่านไปอีกอย่างหนึง่งผีปอบต้องเจอพวกผีล่าปอบพวกหมอหมอหมอหมอาปอบนะอันนั้นคือไปสร้างอุปทานใหม่เพื่อกบเกินตัวนั้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาซีดีพ่อครูไปให้คุณแม่ลองเบี่ยงดูนะผีอะไรก็อยู่ตัวเราก็ไม่ได้เนาะพวอครูมาหลาย หลายก่อนคนมาลองของเต็มมากสมัยก่อนคือเราตะเวนไปเรื่อยๆไงหลายตำบลหมู่บ้านโอมาลองของกันนะนะมีครั้งหนึ่งตอนนั้นศูงยังไม่เปิดนะมาที่ไล่เลยนะโอ้ผีมันใหญ่มันเก่งมากมันเป็นเจ้าแม่นะบอกว่าไปเรียกอาจารย์เธอมานะ อ, อ, อะไรมันมันเรียกว่าต้องเอาเอาอะไรนะเอาทูบเทียนมามาไหว้เขา เขาใหญ่มากพระครูก็มองเห็นไอ้เทียนบักใหญ่ๆนะพระ ก, กูเอาโคตพ่อโคดแม่เทียนไปอย่างนี้มันตกใจใหญ่เลยผีมันหนีเลยนะมันกลัวเทียนใหญ่เนละมันเป็นอุปทานนะมันเป็นอุปทานนะพวกนี้นะไอ้พวกเข้าทรงทรงเจ้าอะไรนี่มันมีจริงไม่มีจริงไม่ถึง 3% อร์นะไอ้ที่นั้นแสดงหมดเนาะ อย่างเขากินเจนเขาก็แสดงบางอย่างที่เราแทงแทงเข้าไปเห็นไหมเราเจาะหูทําไมเราใส่ตุ้งหูได้พวกนี้เนะี่ยมันไม่มันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันเป็นประเพณีอย่างหนึง่งอย่าไปลบดูเขาก็ปล่อยเขาทํานะเอาเป็นว่าเราต้องพึ่งตนเองก็นี่แหละตอนชาวอีสานี่เจอแบบนี้เยอะนะแล้วก็คนค น, นั้นก็ทุกข์มากเขาไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะบางทีเป็นเป็นอาการทางจิตอย่างหนึง่งนะ ที่นี่เรื่องนี้นี่ที่นี่ก็มีนะมีผีปอบมาที่นี่นะเป็นสตรีสวยมากนะวายกรุงเทพเนี่ยเขาเป็นเขามากับแม่เขาแล้ววันนั้นมันเกิดเทศกาลอะไรไม่รู้ก็ชวนกันมานอนในศาลากลางกดกันนอนอยู่พอกลางตึกมาเนี่ยแกเป็นผีปอบนะลูกสาวเป็นผีปอบจะไปกินเลือดแม่ทุกคนแตกตื่นกันเลยแล้วก็เลือดเขาไหลออกมาจากปากจริงๆนะ จากตาด้วยนะเห็นไหมพวกนี้กลัวมากเลยปุ๊กมั่งอยู่มัง่งเราก็โทรบอกนักขามามันเป็นอารมณ์เก่าในอดีตแต่มันส่งถึงกายภาพมันเลือดออกมาเลยนะเหมือนจริงๆเลยนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากระทุ้งให้เขามีสติกับคืนมาในอารมณ์นันก็ผ่านไปนะก็เหมือนเราไปกลัวผีนี่แหละอยู่ๆมันไม่ได้กินยาไม่ต้องไปเตืออะไรเลยทาไมเรากลายเป็นโรคผีหัวกล ความกลัวนั้นมันส่งผลกับกายภาพเรามันส่งผนฮอร์โมนนะเหมือนเหมือนเราฝึกจิตนะวันที่เราจะละสังขารเนี่ยเราไปแบบนิ่มๆแบบว่าวางได้นี่นะเห็นไหมทิ้งสตรีละนั้นไว้ไว้กี่ปีก็ไม่เน่านะเห็นไหมแต่ถ้าเราไปแบบระวางไม่ลงทุร น, นทุนลายเนี่ยมันก็หลังสารก่บแบบหนึง่งถ้าเราตายจริงๆแล้วเนี่ยของที่ตายปุ๊บมันต้องดีไซเคลมันต้องเน่ามันต้องเหม็นทําไมสตรีละที่เราฝึกมาเนี่ย ที่วางไว้ไม่เน่าไม่เหม็นเลยคือมันยังไม่ตายนะคือเราตายจากการเป็นมนุษย์เราไม่หายใจแล้วแต่เซลล์นั้นยังมีกายวิ ญ, ญญาณอยู่มันยังไม่ตายแต่ถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นสุดท้ายไม่ใช่ไม่ตายเฉยๆนะกระดูกเราอัฐิเรากลายเป็นพระธาตุด้วยเห็นไหมอารมณ์เราเนี่ยมันส่งผลกับกายภาพเรานะซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นเขามากว้านหา ภาษาลิทธิกรทาอะไรเขาวิจัยนักวิทชาสเขาก็ยังงงอยู่มันเปลี่ยนได้อย่างไรนะนี่แหละอารมณ์ของจิตเรามันส่งผลดึงกายภาพนะการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มจากการเรียนรู้ปริยัติก่อนหรือไม่คะถ้าถามพ่อครูเนี่ยพ่อครูไม่ได้เริ่มจากปริยัติแต่ทําไมเขาเขียนว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นคือวิชาการพ่อครูบอกแล้ว เจ้าชายชินธราก็ไม่ได้อ่านป ร, ปริไม่มีปริญญาตอ่านไม่มีพระไตยบิดกพระองค์เริ่มปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรนศาเมื่อตัดสู่ทำเข้าสู่ปฏิเวทก็สิ่งพระองค์เห็นมาบอกกล่าวเท่าที่บอกได้ตามที่ภาษามันพอพูดได้จะเป็นพระอานนท์หรือเปล่าเป็นคนบันทึกไว้เพื่อนนอกศาสนาที่เป็นฝรั่งพระครูเขาไม่เชื่อเขาบอกนิทานปะลําปะลาก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วปฏิบัติปฏิเวทปริยัาตนะ แต่ปริยัตินี่ก็เหมือนแผนที่เหมือนลายแทงเราก็โชคดีแล้วอย่างซช่ว่าเราเราได้ยินข่าวเรื่องศูนย์พลานค่อยเราฟัง YouTube เราสนใจอยากจะมาเนี่ยโอเคเราก็ไปเซิร์ชดูแผนที่ว่าวิธีจะเดินทางมาอุบลเนี่ยมีกี่เส้นทางเห็นไหมมาเครื่องบินมารถก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาเดินมานั่งเกียรอะไรก็ช่างนะ้วก็ดูแผนที่ แต่ถ้าเราท่องจาแผนที่ได้หมดเลยก็ไปสอนคนมาศูนย์ปรารานคอยต้องอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ไม่เคยมาเลยเราจะรู้หรือเปล่าว่าคนอย่างพระครูบัญชาเนี่ยพูดดังๆนี่เป็นยังไงใช่ไหมต้องมามาสัมผัสจะรู้ว่าอารมณ์ศูนย์นี่เป็นยังไงใช่ไหมดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยัง ไ, ไม่ใช่เป็นไอตัวหนังสือมันหยาบนะเราทําได้แค่นั้นพระเจ้าท่งบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตําลานะโอเคคําถามนี้ก็ยกตัวอย่างอีกคําถามหนึ่ง อ, อีกตัวอย่างหนึ่งนะถามว่าเรารู้จักพระอนนไหมทุกคนรู้ใช่ไหมมีใครมีความรู้เท่ากับพระอ น, นุ์พระองค์ตัดอะไรนี่บันทึกไว้หมดไม่ใช่แค่บันทึกนะวัดปฏิบัติของพระองค์เนี่ยทำอะไรนี่เห็นหมดเลยเห็นไม้มรู้มากไหมรู้มากที่สุดเลยทำไมไม่บรรลุธรรมพรุ่งนี้จะต้องเปประธานสงฆ์ ประธานพระอริยสงฆ์ต้องเป็นพระอรหันตานั้นคืนนั้นพระอนนท์บรรเพินเพียรถึงสว่างก็ไม่บรรลุไงเพราะไปติดตัวรู้พอไม่เอาหละพักผ่อนดีกว่าบรรลุกลางอากาศบรรลุพ่ออะไรไม่ใช่บรรลุพราะรู้มากนะบรรลุเพราะวางนี่คือคําตอบนะถ้าเรามุ่งมั่นแค่ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเราจะรู้ปริยัติก็ได้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องการรู้เพื่อเป็น แนวทางแล้วก็เพื่อเอาไปสอนวิชาพุทธศาสนาต้องอ่านเยอะๆแต่อย่าไปแปรอย่าไปแปรนะเราจบด็อกเตอร์ทางศาสนาเราไปแสดงทมไม่ได้นะเราไม่เห็นทมไปแสดงธรรรมันจะเลอะเรือนแต่เราไปสอนวิชาพุทธศาสนาได้นะตอนนี้ภาษามันทำให้เราหลงหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือธรมอธรมะ หนังสือนั้นไม่ใช่ธรรมะหนังสือนั้นพูดเรื่องธรรมะเท่านั้นเองธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือธรรมะตัวหนังสือไม่ใช่ธรรมะนะตัวหนังสือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นผู้เจ้าทต้องบอกอย่าเพิ่งเชื่อตำราไงแต่ไม่ได้บอกว่าตำรามันไม่ดีนะเหมือนลายแทงเหมือนไกดลายนะมันมีประโยชน์ระดับหนึ่ง นะเอาเป็นว่าเราต้องการอะไรถ้าต้องการรู้พุทธประวัติต้องการเอาวิชาพุทธศาสนาเนี่ยไปสอนนะเราต้องอ่านเราต้องเรียนรู้ปริยัติให้แตกฉานแต่ถ้าเรามุ่งมั่นแค่ต้องการพ้นทุกข์แล้วเนี่ยปฏิบัติก่อนนะค่อยไปเปิดดูว่าเขาสมมุติชื่อเรียกว่าอะไรสภาวนั้นสภา ว, วานี้ถึงจะดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เป็นไรเราจะไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยนี่คือคาตอบนะ การปฏิบัติที่พลานค่อยปลอดภัยหรือเปล่าคะหน้าถามอยู่นะนะบางคนบอกเหมือนเข้าไปในสนามลบเลยนะมีทั้งนักมวยมีทักอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคาราเต้อะไรเต็มไปหมดเล ย, ลเมมเลยกลัวจะถูกหมัดหลงมัง้งหนูเห็นหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติถามดูก็ได้รับคำตอบว่าการบาดเจ็บเหล่านั้นเกิดขึ้นในศาลาปฏิบัติ ทั้งทงที่ก่อนมาพรานคอยก็ปกติดียิ่งคนป่วยยิ่งเวียงเห็นว่าเจ็บหนักกว่าเดิมเสียอีกหนูก็เลยกลัวค่ะเออถูกแล้วสมควรกลัวเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าหนูป่วยมากหนูคิดว่าคงจะทนความเจ็บปวดมากกว่านี้ไม่ไหวค่ะวันแรกที่หนูมาถึงหนูเจออา마คนหนึ่งก็ปกติดี แต่วันลุ่งขึ้นอาเดินขากระเพลงเป็นหนักขึ้นทุกทุกวันด้วยค่ะแต่อามาก็อารมณ์ดีมากินข้าวก็คุยหัวเราะดูปกติมากไม่เหมือนคนป่วยเลยหนูเห็นแล้วก็งงมากค่ะอมามากเขาดูเหมือนเจ็บมากๆแต่ทำไมอารมณ์ดีจังเลยคระบนหน้าต้องเรียนแบบอามานะเราจะได้ยิ้มได้ เราคิดว่าเราป่วยแล้วเราก็ว่าเราป่วยเนี่ยเราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ป่วยมันเจ็บก็เรื่องของมันเจ็บอ่าส่วนเราออกเราออกเราไปเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องเหนื่อยไหมเราก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมเราไปฝึกกีฬาเราก็ต้องเหนื่อยเราต้องแลกความเหนื่อยเนี่ยกับการแข็งแรง พ, พอเราลงไปแข่งเราไปเตะฟุตบอลเนี่ยบางทีแข่งก็ฟาดกันหัวก็ชนกันล้มแขนขาหักเนี่ย มันทำมันก็เป็นธรรมดานะแต่เราก็แลกกับความสําเร็จจากประสบการณ์แล้วก็ความแข็งแรงของเราก็เดี๋ยวคําตอบพะ ก, กูจะอธิบายให้ฟังนะเห็นไหมอาม่าขนาดว่าแกเจ็บแกยังหัวเราะได้ลื่นเลงมากมันพิสูจน์ว่าเจ็บนั้นไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราเข้าถึงมันอาม่าเนี่ยเราบอกเราเป็นคนป่วยเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับการป่วยของเราดีไหมอย่างนี้ดีไหม มันต้องแลกด้วยนะอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติกลัวเจ็บตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเนาะเห็นไหมทีนี้มันไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะนะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันสร้างวิบากทีนี้พ่อครูก็จะชี้แจงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมด้วยจริงๆเราวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามสแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีคืออะไรสแสวงหาปฐมเหตุเพราะเราวิจัยจะหาที่มาที่ไปของมันนะ เพราะทุกอย่างมันไม่มีพอทุกเหตุไม่มีมันเชื่อมโยงกันเหมือนงูกินหางนะยังเหตุของกรรมเนี่ยคือกิเลสผลของกรรมคือวิบากเมื่อมีกิเลสย่อมทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดเจตนาที่จะไปสร้างกรรมกรรมย่อมส่งผลให้เป็นวิบากกรรมวิบากกรรมก็ส่งให้เรามาเกิดอีกทาให้เรามีกิเลสเกิดอีก มันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายผู้เจ้าแสดงปฏิสมุทบาทเนี่ยเห็นไหมวงตีว ง, วงกลมกล ม, ก ม, กมเนี่ยเป็นสิบสอขั้นตอนเนี่ยนะเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีปฐมเหตุแต่วิทยาศาสตร์กำลังสแสวงหาปฐมเหตุอันนี้คุยกับอาจารย์อ้อยเป็นช่วงๆเห็นไหมเขาบอกว่าปฐมเหตุเนี่ยมันเกิดจากกวานี้เพราะามันเกิดบิ๊กแบงแล้วก่อนบิ๊กแบงนะี่มันเป็นอะไรไม่ใช่อยู่ๆก็บิ๊กแบงเป็นปฐมเหตุ บิ๊กแบงนั้นเป็นแค่ผลเฉยๆนะที่มันเกิดแต่เราบอกว่าเป็นปฐมเหตุผู้เจ้าเป็นตัดสรู้สิ่งนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายโดยเฉพาะพระองค์ชี้เราเห็นว่ากิเลสกรรมวิบากเขาก็เขียนเป็นว ง, งนี้นะเห็นไมถามว่าอะไรขึ้นต้นไม่มีเบื้องต้ น, ไ ม, มตนไม่มีเบื้องปลายเราจะเริ่มจากกรรมก่อนก็ได้จากวิบากผลก็ได้จากกิเลสก่อนก็ได้ เอาละกิเลสทาให้เก ah. ิดต ah. ัณหาตัณหาให้เกิดอุปทานอุปาทานทำให้เกิดทุกข์แล้วใครเรามีกิเลสไอคนที่มันมีกิเลสมันมาจากไหนจากผลของวิบากกรรมไงคือมันเป็นงูกินหางมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันจึงไม่มีปฐมเหตุนะก็ตามหลักธรรมเนี่ยเจตนาคือกรรมในการทําพูดคิด ย่อมมีน้ำหนักให้ผลต่างกันตามกําลังของเจตนาเจตนาแรงกล้าก็ให้ผลแรงเจตนาปานกลางก็ให้ผลปานกลางเจตนาอ่อนก็ให้ผลน้อยดังนั้นกรรมจึงแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆมันจริงๆแล้วมันแยกเยอะมากไม่ต้องรู้มากรู้หลักๆและจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคืออะไรนะนกรรมให้ผลตามหน้าที่ คือเราทำอย่างไรเป็นอย่างนั้นเราทาสีขาวมันจะกลายเป็นสีแดงไม่ได้ผลก็คือเป็นสีขาวมันทําตามหน้าที่มันส่งผลตามหน้าที่ทำดีมันจึงดีทำชั่วจึงชั่วอันนี้มันซื่อสัตย์มากมันเป็มนมันส่งผลตามหน้าที่อันที่สองกรรมให้ผลตามกาลังตามกำลังกรรมพอเราทำอะไรโดยเจตนาแรงปุ๊บ ก, ก็เป็นกำแรงถ้ากำแรงปุ๊บจะส่งผลเร็วนะ ส่วนมากเกิดในชาติหน้าเลยนะถ้าเราใส่เจตนากลางๆมันก็ส่งผลกลางๆมันมันมันมันมันส่งผลตามกำลังนะส่วนข้อที่สเนี่ยกรรมให้ผลตามเวลามันมีเงื่อนไขเวลาด้วยถ้าเวลายังไม่ถึงทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันไม่มันไม่เกิดนะหลักใหญ่ๆกรรมมันมี3ามอย่างส่วนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เขาก็แยกวิชาการเป็นแยกข้อปีกย่อยอะไร พรากว่าอยากจะไปรู้ลอ่านหนังสือออกแล้วไปเปิดดูเอาวยเองนะแต่ถ้าเรารู้แค่นี้โอเคเราไม่สงสัยแล้วแล้ ว, ลวที่เรามาปฏิบัติปุ๊บทำไมคนนี้นี่ลยลําหัวเราะมีความสุขคนนี้ดิ้นทุรนทุรไลร้องไหอ่อรู้สึกทุกข์มันไม่เหมือนกันเห็นไหมนะไม่ใช่ว่าคนนี้เขาร้องไห้เขาสร้างบุญมาเยอะเขาไม่มีกรรมเลยก็ไม่ใช่แต่ตอนนี้ส่วนที่บรรบุญเขาส่งผลเฉยๆเห็นไหม ส่วนที่เป็นบุญเป็นกรรมดีเขาส่งผลแต่คนนี้กำลังทุรนทุไลนะเออตอนนี้กรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันกำลังส่งผลเรารับบิบากตรงนั้นนะทุกวันนี้ชีวิตเรานี่อยู่ข้างนอกเราไม่ชอบเจ็บนะเจ็บปุ๊บไปหาหมอกินยาไม่หายฉีดยาเลยแล้วกบเกินความเจ็บนั้นเราหนีกรรมตลอดเราหนีหนี้ตลอด เล้หนีมันวันนี้ก็ต้องใช้วันหน้าใช้ในชาติหน้าไม่มีทางที่จะหนีมันพ้นแต่พอเราบันนั่งปุ๊บนี่จิตมันขุดออกมาเลยจิตเดิมมันขุดออกมาทีละเรื่องให้จิตปัจจุบันยอมรับมันทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยเอเมนโดยเฉพาะอที่บอกอาม่าว่าเนี่ยนะแสดงว่าอายุมากแล้วเนี่ยถ้าปกติคนอายุมากผู้อาวุโสเนี่ยถ้าเจ็บปวดเนี่ยนึกถึงหมอทันทีเลย แล้วทำไมอาม่าไม่หนีอาม่ายังไปกินข้าวหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เห็นไหมจิตมันฉลาดแล้วมันยอมรับเจ็บก็เจ็บไปเถอะเรื่องอะไรฉันจะไปเจ็บกับเธอไอ้ร่างกายไม่ใช่ของฉันนี่คือตัวปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเห็นไหมแต่ชีวิตเราเนี่ยเราหนีกรรมตลอดเราหนีหนี่ตลอดไงเราก็ใช้ยามากบเกินเพราะเราไม่ต้องการเจ็บ นะเราต้องจ่ายหนี้กรรมด้วยความทุกข์กรรมดีต้องจ่ายหนี้กรรมด้วยความสุขเนี่ยเทวดากาลังจ่ายหนี้กรรมดีนะเพราะเราทําดีเราไปติดดีจริงๆแล้วทําดีทําแค่พอดีแต่อย่าไปติดดีนะละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสถ้าเราติดดีเมื่อไหร่มันกลายเป็นกรรมดีต้องไปใช้พอเรามาเวียงปุ๊บเนี่ยทั้งกรรมดีที่เราเคยติดดีนี่เราออกมาหมดเลยเสพมันตรงนี้ ล้างกรรมดีก็ต้องล้างออกนะให้มันเหลือแต่ดีเฉยๆกรรมชั่วก็ต้องจ่ายมันนะนี่คือขบวนการที่มันกำลังแสดงออกของกรรมแต่ละคนนะพอเราเห็นปึ๊บเราเห็นอุ้ยทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งเจ็บเลยนะเราปฏิบัตินี้เหมือนเรากำลังมีอริยทรัพย์นะ เราไม่ต้องรอเจ้ากรรมในเวรมาทวงนะเราเข้าไปเคาะประตูบ้านมันเลยว่าฉันเป็นหนี้เือเท่าไหร่จ่ายเรากลับบ้านเก่าไปแบบตัวเบาๆนะอย่าแบกภาระหนี้กรรมไปด้วยนะสุดท้ายแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นด้วยตัวเราเองว่าเจ็บก็หัวเราะได้เห็นไหมเจ็บก็สุขได้สุขสิ ทำไมไม่สุขสมมติว่าเราถูกระวันที่หนึ่งเราสามารถจ่ายหนี้ได้เบาไหมก็ต้องสุขสิอันนี้เราเหนียวนี่ไงเห็นไหมไม่ยอมจ่ายหนี้เราก็กลัวไปหมดนะอันนี้ทั้งหมดนะฟังนะอันนี้คือแก่นเลยนะแก่นที่เราต้องควรจะรู้ สัน ต, ติตัวสัน ต, ติคือตัวสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งของธรรมชาติยกตัวอย่างบางทีชีวิตเราบางครั้งเอ้มันขมินตาขวาขมินตาซ้ายอันนี้มันคืออะไรไปเอ็กซเลย์ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางทีมันเต้นตึ๊บๆุๆๆตุ๊บตุ๊ตม่ยังจับชีพจรโอเคโอเคมันมาจากหัวใจเต้นแล้วอะไรทาให้หัวใจเต้นทำไมคนนี้ตายหัวใจไม่เต้น พาตัดหัวใจไม่เต้นไปให้อีกคนนึงทำไมมันเต้นขึ้นมาอีกเพราะคนนั้นจิตเขายังอยู่พลังจิตก็คือตัวสันตินะตัวนี้ทำให้เรามีชีวิตอยู่ทีนี้ไอ้ตัวสันติอยู่ในตัวเรามันก็ทาหน้าที่อย่างนี้ทำไอ้ตัวเกิดดับเกิดดับมันเกิดจากพลังสันติทำให้มันเกิดมันดับเหมือนเราดูภาพยนตร์เนี่ยเห็นเห็นผู้ร้ายยิงพระเอกปุ๊บเราเห็นแค่ภาพเดียวผู้ร้ายยิงพระเอก จริงๆแล้วผู้ย้ายผู้ไลายยิงพระเอกเนี่ยมันซ้อนกันเป็นหลายสิบภาพร้อยภาพเลยแต่มันเกิดดับเกิดดับเร็วมากเห็นไหมตัวสันติมันเร็วมากเราทําลายมันไม่ได้มันมีอยู่ตามธรรมชาติและตัวนี้เนี่ยอยู่ในตัวเรามันก็ทําให้เกิดดับพอออกจากร่างกายเราเนี่ยมันก็ทําให้วัฏฏสงสารมันเคลื่อนมันเดินมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งของจักรวาลของธรรมชาติ ไอตัวนี้มันทำมันมันมันไปบดบังทําให้เราไม่เห็นอันนิจจงทําให้เราไม่เห็นความไม่เที่ยงของมันมันเร็วมากตัวสันติมันคือตัวสืบเมืองของอารมณ์เกิดรูปนามเกิดดับเกิดดับเกิดดับไอตัวนี้ทําให้เราไม่เห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นไหมพอเขาด่าเราเสียงด่านี้คือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิด มันลงใจเลยเห็นไหมเวทนาเกิดไอสัญญาที่บันทึกไว้ว่าไม่ชอบถูกด่ามันวีนขึ้นมาเลยบวกกับสัญญาใหมาว่ามันด่าเราเนี่ยสปาร์ติดไฟฟ้าชอ็อตสังขารเกิดมันคิดปรุงแต่งแล้วว่าเธอดา่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้ฉันต้องดา่าเธอคืนภายในหนึ่งเวินาทีขันห้าปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วสร้างกรรมเพราะเราไม่เห็นตัวสันญติแต่ถ้าเรามีสติเท่าทันสัญญติ มันดาเราปุ๊บเราก็ได้ยินตบจบแค่นั้นเห็นไหมรูปเกิดก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงต่อไม่ได้ขันห้าปรุงต่อไม่ได้ปฏิสบุติบาดขับเพื่อนไม่ได้วัตตะสงสารดับนะตัวสันทติเป็นตัวกั้นบังอนิจจงอริยบทกั้นบังทุกขงังอุ้ยเจ็บ เปลี่ยนอริยบทใหม่ไปกินยาเบือบ่อเบื่อออกไปเที่ยวเปลี่ยนอริยบทใหม่ไปเที่ยวเพื่อกบเกินความทุกนั้นมันร้อนเปิดแอร์ชีวิตเราหนีทุกแต่เราเปลี่ยนอริยบทมันเบื่อไปเที่ยวไปทัวอริยบทเนี่ยกั้นบังทําให้เราไม่เห็นทุกขังเห็นความไม่เที่ยงของมันถ้าเราอยู่กับมันมันเจ็บเราก็อยู่กับมัน เราจะเห็นความเจ็บมันก็เกิดมันก็ดับมันไม่เที่ยงไงแต่ตอนนี้เราไม่อยากเจ็บเจ็บปุ๊บเปลี่ยนอรยิยบทใหม่เลยเนี่ยอริยบทกั้นบังทุกขังทุกขังตัวนี้ไม่ได้แปลว่าทุกซึ่งตรงข้ามกับสุขนะอันนั้นอยู่ในอริยสัจ4ี่ทุกสมุทัยรูไหมไอ้ทุกขังตัวนี้คือมันดำรงอยู่ได้ยากความรู้สึกสุขก็เป็นทุกขัง มันก็ดำรงอยู่ได้ยากมันเป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกข์มันก็เป็นทุกขังนะทีนี้เราไม่ต้องการทุกข์เด็กไหมแล้วก็หนีมันแล้วก็เปลี่ยนนริยบทใหม่แล้วก็เลยไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความทุกขังความความไม่ดำรงอยู่ได้ยากเพราะเราเปลี่ยนอริยบทเนี่ยอริยบทกั้นบังทุกขังนะนักวิปัสสนาทุกคนต้องเข้าใจสิ่งนี้ นะและอันสุดท้ายนี่สำคัญมากจริงๆแล้วสำคัญทั้งสามันนั่นแหละคณะสัญญากั้นบังอันตตาไอ้ตัวนี้สำคัญมากที่ปกติเราเป็นอันตามันมันเป็นอันตาไม่ใช่ตัวตวนที่แน่นอนแต่พอเขาเกิดมาปุ๊บเขาตั้งชื่อบัญชานะแล้วก็หลงว่าเราเป็นบัญชาเราเรียนรู้แล้วก็ไปหลงว่าเราเก่งก็สร้างอัตตาขึ้นมาบัญชานี่หนึ่งหนึ่งสัญญาละ นี่พ่อนะนี่แม่นะสองสามสัญญานี่เก่งนะนี่เงินนะอะไรความรู้เต็มไปหมดหลายๆสัญญารวมกันเป็นคณะสัญญาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอัตตาขึ้นมาไอ้ตัวนี้ทําให้เราไม่เห็นอนัตตานะคณะสัญญากั้นบังอนัตตาธรรมชาติเหมือนเหมือนทาสานมีสินห้าแล้วไงแ้่ตอนนี้พวกเราสินห้าหาไปไหนหมดต้องมาถือศินห้าเราถูกคณะสัญญา ความรู้ผิดน่นถูกอัตราเรามันครอบงําหมดสินห้าไม่หายไปไหนนะมันยังอยู่นะแค่เราเอาเอาข้อสัญญาที่ออกไปเรื่อยๆเอาความรู้ผิดออกไปมันก็แสดงตัวนะพ่อคูไม่ได้อ่านหนังสือเล่มไหนพ่อครูเอาชีวิตพ่อคูมาทดลองทดสอบสี่ปีวิ่งไปตามโลกไม่มีศินห้า2ีปีทีนี่ก็ไม่ต้องถือสินอีกแต่มันไม่ทําชั่ว ล้วจึงเห็นไงศินคือความปกติของจิตมันมีอยู่แล้วทาสานมีศินห้าอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีคณะสัญญาไปกบเกื่อนตัวนั้นเห็น ไ, ไหมมันมันไม่มันไม่มไมยึดมั่นถือมั่นนะทาสานมันยอมรับความเป็นอนาตตาโดยธรรมชาติเพราะมันไม่มีความรู้ซึ่งเป็นอัตตาไปครอบงำตรงนั้น นะอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ๆของวันนี้แล้วก็จากนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำแล้วไปนั่งท้ายสารานะแล้วก็มี King s สปี d นะอันนี้พ่อครัวอธิบายแล้วเดี๋ยว่อไปก็ไม่ต้องอธิบายดูแล้วเราก็ปฏิบัติกันสักพักหนึ่งนะก็ใช้เวลาประมาณ20มนาทีนะก็คื อ, เ, อ, อเป็นภาพยนตร์ฝรั่งนะเขาพูดถึงเรื่อง ประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะจอร์จที่5พระเจ้าจอร์จที่5้าออโอ โ, อ โ, อ โ, อโอท่านเป็นจอร์จที่6นะเป็นโรคพูดติดอ่างนะแล้วก็มีหมอคนหนึ่งเขารักษาแบบ เ, เป็นเทคนิคเพื่อทำลายอุปทานโรคติดอ่างเป็นอุปทานนะเอัอเอามาพาดอัมาพึก่ก็เป็นอุปทานนะ นะอุปทานส่วนหนึ่งแล้วก็มันส่งผลถึงกายภาพนะอันนี้พ่อครูเจอกับพรอครูเองนะออพอเราเดินไม่ได้เมื่อออกไม่ได้นะพอจิตมันปล่อยวางแล้วนี่มันไล่าลาำเฉยเลยมันลืมอุปทานนั้นบังเอิญหมอคนนี้เนี่ยในยุคประวัติศาสตร์อังกฤษนะเขาทําเหมือนที่เราทําเลยแต่ว่าเขาใช้สมองเขาใช้ประสบการณ์เขาสั่งให้ทํา แต่ของเราที่เกิดจบท่นี่แหะจิตเดิมเราเนี่ยมันสั่งให้เราทำมันเป็นตัวปัญญาแต่หมอคนนี้เป็นเรื่องความรู้นะเขาก็ให้แหกปากลอ้อนะอันนี้พูดเข้าๆ เ, เนื่องจากเป็นองค์ชายไงหมอคนนี้ถามชื่อว่าชื่อว่าอะไรเขาบอกเรียกฝ่าบาทหมอบอกไม่เรียกถามว่าชื่ออะไรเขาก็บอกว่าเจ้าชายน่นเจ้าชายนี่ลงท้ายด้วยจอดนะ หมอบอกไม่ใช่มีอีกชื่อนึงนะหมอเพมอหมอเขารู้ประวัติไงมาชื่อเบอร์ดีอะไรเพราะกูจำไม่ได้เขาทําท่าตกใจว่าชื่อนี้เป็นชื่อของคนตระกูลเขาเรียกได้เท่านั้นหมอว่าเอานี่แหละชื่อนี้แหละฉันชอบ <c oughs> เขาทําลายอัตาเขากําลังพางอุปท า, านนะเดี๋วดูว่าเขาทํำยังไงนะ <c oughs> เขามีแหกปากล้อเขามีเช็คกิ้งนะแล้วบอกว่าเอ้ยต้องสั่นหัวแบบว่าเหมือนคนไม่มีกามเห็นไหม แล้วเขาจับกิ้งด้วยกิ้งเขาล่อเขาล่อเห็นไหมแล้วเราถึงรู้ว่าทําไมเราต้องกิ้งไม่ใช่เราตั้งอันนั้นเขาตั้งใจกิ้งนะเพื่อทําลายอัตราทําลายอุปท า, านนั้นนะ่ะแล้วเขาก็ลืมอุปท า, านเขาก็พูดได้นะนี่เดี๋ยวดูเป็นเป็นแบบอย่างมันแปลกมากมันถึงเวลาจริงๆสิ่งนี้มันทําให้เรามาเรียนรู้กันเราจะเข้าใจสิ่งที่เราทํานะแล้วก็ดูญาติธรรมบางคนที่เขาออกมาจากจิตนะ เราต้องรู้ว่าคำว่าอินไซน์เอามันออกมาจากข้างในมันเป็นยังไงไม่ใช่จิตปัจจุบันแน่นอนจิตปัจจุบันไม่เคยฝึกมาเลยนะอันนี้ก็ชมสักพักหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เราก็ปฏิบัติก็เป็นนอนโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภะษีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข